สั่งทำกันก็มีเสียงโขดปางอีกไม่นานคงจะไม่มีเสียงดกหมดไปเรื่อยๆชีวิตก็หมดไปเรื่อยๆการเวลาก็หมดไปเรื่อยๆ พวกเรามงค่อยจะได้พบกันเรื่อยๆมีผู้ใหม่มีผู้เก่าตลอดเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เสียดายเสอดายคนที่มีทุกข์ที่ไม่เคยได้บอกไม่เคยได้ยินคนทําผิดบางคนก็ไม่เคยบอก เราก็ไม่เคยได้ยินไม่รู้คนหลงเขือดายเขาไม่ได้มีใครบอกเขาเขาก็เลยหลงซะในตัวของเรานี่ก็เหมือนกันในพุทธเป็นแก้วใจเป็นดวงใจสว่างสวัย สสยกาจ่างเหมือนพระอาทิตย์พ้นจากเมฆแต่มีอยู่แต่มันก็มีโอกาสบืดเพราะมีเบกมาบังทำให้ ม, มองไม่เห็นแตนที่จะใช้แสงแดด <c oughs> แสงอาทิตย์เพื่อตากผ้าผ้าก็มูหมดเสื้อก็มูหมด ฝนตกูกฝนเปียกค่อนเมฆกำมังซะไม่ได้แสงแดดดางทีก็ดูหนาวหาเพียงดดแดดต่ยากในวัดเราไม่เตอร่บไม้ต้องออกไปเพียงแดดที่ไม่มีต้นไม้ มีอยู่แสงแดดก็ ม, มืดก็มีอยู่ในแสงแดดแสงอาทิตย์แสงสว่างก็มีอยู่ในแสงอาทิตย์เพราะมีเหตุปัจจัยในใจเรานี่ก็เหมือนกันบางทีก็รู้แจ้งบางทีก็มืดกวามหลงพาให้มืดกวามไม่รู้พาให้มืดความลับของมชังพาให้มืดความผิดความถูกพายหมืด โมโกรธโลกหลงพายมืดกิเลสตัณหาพายมืดเหมือนองคติมานอาจารย์สอนผิดตาให้หลงตัวเองก็ชิดผิดตาให้มืดพาให้หลงทำลายฆ่าคนตั้งหลอยคนนับหลง อาจารย์สั่งให้ข้าคนให้ได้พันคนจึงจะมาเรียนศาสตร์ที่เยาะเยีเ่ยมได้หาคนเรียนได้ยากข้าไปข้าไปก็หลงนับเลื่อยเลยเอามาเอาเนื้อมือมาเขียนคอก็เด้ไอยชื่อว่าองคุรีมานคุรีคือเนื้อมือ แต่ก่อนเขาไม่ชื่อคูดีมานเขาชื่อหฮงส ก, กะก่อที่จะได้กินพระพุทธเจ้าโูดรก็นานเหลือเกินฆ่าคนตายกันจมนมากแล้วมาได้ยินพระพุทธเจ้าโปรดองค์ขึ้มานก็ตัดขาถาขึ้นมาแต่ก่อนนี้ มืดหนอกไม่รู้อะไรแต่วันนี้เหมือนแสงแต่ก่อนนี่มืดบอดไม่รู้อะไรเหมือนก้อนเมฆบังแสงอาทิตย์วันนี้ก้อนเมฆหมดไปแล้วสว่างสวยแล้วนั้นก็จิตใจที่พ้นจากเมฆบอกแล้ว ยังคาถาของเทมา น, นี่ว่าภาศิตโ ย, ยจัโปรเปปมัจิตว่าปัจฉาโสนปมัจติโสมังโลกังว่าภาสติอพปุิโยวัฏฐานเทมานี่ยเป็นคาถาหมาลีก็เลยเราก็มองเห็นส่วนนี้เป็นชีวิตชีวาอยากจะบอกจะสอน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 เมื่อมีแฉก็มีไม่แจกเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่ตายอยู่อย่าพลาดตรงนี้หล <c oughs> งเที่เรสวดชาดกสังขารใตวเทียงเมื่อนนานย่อมในในในสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระในพานอันเป็นทรรมหมดจุดนั่นในความไม่เที่ยงมองเห็นถึงความมองเห็นว่านั่นคือความไม่เที่ยงเบื่อหน่ายความไม่เทีย่ยงเสียเปรียบความไม่เที่ยงหลงในความไม่เที่ยงเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยง ต่อมาไม่เหมือนเห็นแจ้งเมื่อนายเป็นนิพพานนี่คือแก้วแก้วตาเห็นไม่ใช่ตาเนื้อตาในสติปัญญาเป็นดวงตาภายในให้มีบ้างแก้วหไไวูได้ยินเอาไว้บ้างได้ยินเอาไว้บ้างนี่ผู้ผู้อยู่ให้คิดได้บ้างก็ได้ยินมาอย่างนี้ เมื่อได้ยินใหม่นี้เอาไปทําดูบ้างมันก็จะเป็นประโยชน์เ <c oughs> จึงแม่ตาไม่โหมีใจเพื่อเอามาใช้ให้เป็นเครื่องมือในการเอาตัวรอดบ้างอย่าเอามาเป็นทุกข์เป็นโทษนี่คืออาศัยการได้ยินได้ฟัง เรียว่าสูตรตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเอามาทําเรียกว่าภาวนามะยปัญญาจึงไหนเป็นความไม่ดีเอามาทำหนีจากความไม่ดีให้มันเกิดขึ้นจึงไหนไม่เป็นทุกข์เอามาทำหนีจากความเป็นทุกข์ให้มันเกิดขึ้นกับมือกับใจเราเนี่ย มาทาได้เราไม่เคยได้ยินเัเลยมันก็ไม่รู้ก่อคิดได้ก็ผิดภลาดไปแล้วเินความผิดมันมันลงโทษความทุกข์มันลงโทษบางทีคนบางคนก็เหดหลาบเพราะมันโกรธเพราะมันทุกข์ กลายเป็นคนดีแต่ว่ามันก็สูญเสียไปมากแล้วเช่นสมัยหลงตาอยู่วังเลยจีจีปีก่อนลูกชายข่าพ่อรักเมียพ่อ่าเมียเมียอยู่บ้านกับปูลูกชายไปทำไร โกก็บ่นให้ลูกสบายธรรมดาพ่อกับลกูก <c oughs> ก็ไม่เว้นใครจะบอกถ้าไม่บอกก็เลยบอกอะไรที่มันควรจะถูกอะไรที่ทำทำมันถูกควรทำมันปิดควรเลิกเมียก็โกด้ห้ปู ขี่รถมอไซค์ออกไปหาผัวที่อยู่ในไร่ไต้พูดข้างเดียวผัวก็โกรธขี่มอไซค์เข้ามาในบ้านปลายปืนลูกสองมาด้วยว่กําลังสารกระติบข้าอยู่ก็เดียวปืนยากข้างล่างจอดมอไซค์ไว้เดียวปืนขึ้นใส่ผู่ใส่พ่อของตัวเอง พ่อก็เพียงเอาพ่ามือไว้อย่ายิงอย่ายิงลูกชายก็่าฟังยิงแต่ลุกมือถูกหน้าผาของพ่อล้มตายลงเห็นพ่อตายแล้วจึงคิดได้ลุกขึ้นรีบขึ้นบันบน บ, นบานเสียใจกอดพ่อร้องไห้ว่าพ่อตายแล้วพ่อตายแล้ว ก็เลือดเท็ดไลลเจ็บพ่อไว้เรารีบปราโป้หมอใส่เข้าไปหาสถานีตำรวจในเมืองต่อมอบตัวปิดพลาดใหญ่ก็เลยเป็นคนดีตั้งแต่ประดัน้นมาเป็นคนดีพ่อข้าพ่อเราจึงเป็นคนดีเจ็ดหลาบจนได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านก็ยกย่องเหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรูข้าพ่อข้าพ่อเป็นพระเจ้าเป็นดินแทนพ่อก็เป็นคนดีแต่ต่อมาลูกพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ฆ่าพระเจ้าชาติตัตรูอีฆ่ากันต่างขั้นามาหลายชั่วคน จนประชาชนเบื่อหน่ายกัสัตว์ทั้งหลายมีแต่ข้าพ่อมีแต่พ่อข้ า, ขาลูกลูกข้าพ่ออยู่เช น, นี้เบื่อหน่ายปฏิวัติในพุทธศาสนานี่ยถ้าไปอ่านดูตามตำรานั่นมันก็เสียหายแล้เบื่อที่เป็นคนดีเอาพ่อข้าพ่อตายกบ่ที่เราจะคิดได้เป็นทุกข์เป็นโทษ แต่ตัวเองและคนอื่นจึงมาลูกไว้ซาว่าอย่าเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงตั้งแต่บัด น, นี้เป็นตนไปตอนที่ยี่สิบสองกรยายน์มีใครมีกัได้ยินคนบอกอย่าเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงอย่าเป็นทุกข์เพราะความไม่ทุกข์ถ้ามีทุกข์อยู่ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์ เอาความทุกข์มาเป็นนิพพานเลยหัดทมหัดทมหัดทมดีใจเห็นมันทุกข์เจ้าตาเห็นแล้วนี่คือทุกข์เหตุให้มันเกิดทุกข์วิธีดับทุกข์ออกหนีไปเห็นเจ้าตาเป็นดวงตาภายในมีสติสัมญจญัะวางลงอย่าระยธ์ว่าทุกข์คือเราทุกข์ อย่าทำตามความทุกข์อย่าไปยึดเอาความทุกข์ว่าเป็นตัวเป็นตนอุปทานขันห้าเป็นตัวทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดมัน่นไม่ได้งันจะทําให้เราหลงเราก็ทําตามขันห้ายึดเอาไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เราวางลง บางลงแล้วพระอริเจ้าสลัดทิ้งของหนักคืออุปทานลงแล้วไม่ยิดเอาของหนักอันอื่นขึ้มาอีกมันก็ชินไปแล้วความทุกข์ต้องปองหนักมีผู้ทําอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้สาวกทั้งหลายรู้เรื่องนี้พวกเราพอจนมาถึงบัล น, นี้ก็รู้เรื่องนี้จริงๆดังที่เราเคยสวด ถ้าสูตรมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าม <c oughs> ีความทุกข์อย่างเอาแล้วการทำํำที่จุดแต่งกองทุกนี้ควรจะมีเกิดขึ้นอยู่ยแล้วว่าโดยย่ออุปทานนะขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์คืออะไรว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ได้แกออะไรบ้าง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 นั่นไปยึดไม่ได้วางลงปองไว้พระอริเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วทิ้งอันนี้ลงไปแล้วไม่ยึดเอาของหนักอันเดินเข้ามาอีกเป็นผู้ชิ้นแล้วแห่งทุกข์ทั้งปวงมีเท่านี้ถ้าใครมีทุกข์ก็เรียกว่ามีมีม เหตุมีปัจจัยที่ทําให้เห็นแล้วเหมือนเราเป็นหมอเห็นโรคตรวจโรคพ่อโรคพบโรคห้อยหยกห้อยยาโรคหายโรคแห่งทุกข์หายโรคแห่งความโกรธหายเรียกว่าโรคหยาปรมาลาภาเราไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐก็หมายถึงโรคคือความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงเนี่ อากโรคสังขารร่างกายนั้นก็เป็นส่วนหนึง่งอันนี้เรียกว่ารูปโรคนามโรคมีอยู่ในรูปคือกายอันอก้องโศกเยาวานาคืบมีอยู่ในนามคือมันคิดอะไรได้ได้ว่านามโรครูปทุกนามทุกทุกของรูปม่มากมายอย่าให้ทุกเป็นทุกขให้ทุกเป็นปัญญา ทุกข์ของนามมีมากมายเพราะเรามาเห็นแย้งไม่วิปัชนาเห็นเป็นเพียงอาการไม่ใช่ทุกข์เป็นอาการที่เกิดกับรูปเป็นอาการที่เกิดกับนามรูปจากแยก <c oughs> รูปจากนามรูปจากแยกรูปนามออกจากกันความทุกข์ของรูป อเอามาเป็นทุกข์ของนามถ้าเราไม่รู้ไม่ศึกษารูปเบี่ยดเบียนนามนามเบี่ยดเบียนรูปหมายถึงกายเบียเเบ่ยดเปียนใจใจเบี่ยดเบียนกายหูเข้าใจเป็นทุกข์หัวท้องใจเป็นทุกข์ถ้าใจกโกรธกายเป็นทุกข์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 กรรมฐานคือที่ตั้งของการกระทำเอาสติมาั้งไว้ที่กายให้มีความรู้สึกตัวถ้ารูก้กายมีความรู้สึกตัวกายมันจะเป็นภาวนาที่อย่างไรตาวนาคือการเคลื่อนไหวขยันรู้เอาว่าขยันรู้คือภาวนา สิบสี่จังหวะรู้ทุกจังหวะมือที่เคลื่อนไหวรู <c oughs> ้ไปกับการเคลื่อนไหวของกายเพราะว่ามีฐานคือกายตั้งไว้ให้ผสมกับว่ากรรมฐานคือการกระทํามีที่ตั้งของการกระทําสิบสีจังหวะให้รู้ขยนันรู้วินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งวินาทีละรู้ จนความรู้มันมากไปกับกายเมื่อกายมีความรู้ความรู้มีอยู่ในกายในกายก็เป็นตัวรู้ไปเลยแต่ก่อนกายเป็นตัวหลงถ้าเรามีกรรมฐานกายจะเป็นตัวรู้ไปเลยห mm hmm. อวงตาเดินตอนเช้าธรรมวัดนเจ็ดเนี่ยชั่วันหนึ่งไม่ใช่วินาทีละรู้ วินาทีหได้สองลูกเอาไปนั่นทาไมเราจึงทำอย่างนี้เรามันแจกจะไปก่อเท้างอแขนอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งเอาไม่ใช่เดินธรรมดาวิ่งเอาวิ่งก็ไม่ใช่วิ่งเฉยๆแกงเข็นไปด้วยวินาทีหนึ่งได้สองลูาางบบาา ก, ไไนนกลถ้าเราทําอยู่นี่วินาทีละลูก หลงต่อชำนาญแล้วสร้างภาวนามากรรมฐานมาสี่สิบกว่าปีลูกในก่ายพุทธิเหตุหน่อยก็ลูกยากมันหลงง่ายหลงมากกว่าลูกไม่เป็นไรเปลี่ยนหลงเป็นลูกนั่นแหละมันดีถ้าไม่หลงไม่ได้จะเอะความหลงจ้าไม่เห็นความหลงชัดเจนให้ลูกเนี่ยภาวนาคือหยันลูกอย่างเนี้ย ไม่ใช่อยู่ในตำราเขาก็ถามว่าพุโทโธพุทโธใช่ไหมไม่ใช่พุโทโธพุทโธเป็นบริกรรมเป็นปากพูดเป็นบริกรรมเข้าไปไม่มีความลูกก็ได้ว่าพุโทโธตัดบริกรรมบอกไม่ต้องว่าให้ลูกเข้าไปเลยในกายไปเลย อย่าเอาพุทธโธมาเป็นภาวนาอย่ า, ายกหนอพองหนอมาเป็นภาวนาอย่าเอาสมมาลหังมาเป็นภาวนาภาวนาอย่าให้มีขวงขั้นเออบริกรรมอย่าให้มีมาขวงขั้นให้ตัวลูกเขาถึงกายถ้าลูกถึงกายตาลูกถึงใจนันว่าภาวนาแล้วอะไรรู้ไปหมด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 มันจะมีอะไรเหลือแล้วอะไรจะเป็นใหญ่แต่ก่อนไม่มีภาวนาความหลงเป็นใหญ่ความสุขเป็นใหญ่ความทุกข์เป็นใหญ่ความโกรธเป็นใหญ่ความรักความชังเป็นใหญ่ความดีใจเสียใจเป็นใหญ่เราถามตามความรักความชังถามตามความดีใจเสียใจจนข้าพ่อตายความโกรธเป็นใหญ่ อ้ามีความรักก็เสียเปลียนเสียตัวเสียผู้เสียคนเพรความรัก อ, อกหกักเสีย อ, อกเสียใจกลายเป็นทุกข์ความรักเหมือ น, นกันกลยเป็นสุขเพรความรักเหมือนกันให้ความรักมาเป็นสุขให้ความเกลียดให้ความโกรธมาเป็นทุกข์ไม่ใช่เลยเส้นซากไปแล้วเราเห็นมันแล้วมัน ในเจ้าตาเห็นแล้วตาภายในความสุขหลอกไได้นี่คือความสุขที่หน้ามันสักว่าสุขนี่คือทุกข์ที่หน้ามันสักว่าทุกข์เห็นแล้วเป็นปัญญาแล้วปัญหาเคยเป็นปัญหาแต่ก่อนแบบ น, นี้ปัญหาเป็นปัญญาไปแล้วจบไปแล้วมันมีความจบเป็นความหลงเป็นการ จบเป็นความโกรธเป็นการจบเป็นความทุกข์เป็นความจบเป็นหรือว่าสิน้นพระเจ้าจึงตรัสว่าสิ้นแล้วชาติแห่งความทุกข์สิ้นแล้วไม่มีอีกแล้วสิน้นภพสิ้นชาติแล้วชาติแห่งความโกรธหมดแล้วไม่มีอีกแล้วก็เป็นทิสระมาจากขนาดไหนชีวิตของมนุษย์ ถ้าเราไม่ศึกษาไม่รู้มันก็เวียนว่ายแต่เกิดโกรธแล้วโกรธีกกี่ครั้งกี่หนทุกเล้วทุกออกกี่ครั้งกี่หอนรักแล้วรักออกเกลียร์เล้วเกลียดกกี่ครั้งกี่หนของมันเก่าบางทีมันรักบางทีมันเกลียดตบใบจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่สัจธรรม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 สุดลงเขาหายใจออกยาวๆโถหนีไปไหนไม่ได้เลยมันหนีไปไหนไม่ได้มันมัดมือแล้วโถโถหลับตาเข้าไปเนี่สมธาเกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าห้าพันปี ไม่ไม่มีคำว่าวิปัจนาสมัยก่อนมีแต่ว่าสมถะมีปังคับพั่งไปจนนิกเหมือนศิลาก้อนเห็นเอาก้อนเห็นมาทับญ้าเอาก้อนเห็นมาทับญ้าในแผ่นดินที่นี่เคยมีย่าเกิดเอาศิลาเอาก้อนเห็นมาทับไปหญ้าก็ไม่เกิด แต่มันไม่เกิดเพราะธรรมชาติมันมีเครื่องทับอยู่เมื่อเอาก็หนีนออกหญ้าก็เกิดขึ้นมาอีกต้องต่เสียเวลาอยู่กับสมถะแน่ตั้งแต่อายุสิบหกปีจนถึงอายุเกือบสามสิบปีจึงมาเจอหลวงพ่อเทียน นอกจากความสงบแล้วก็เล่นไปอีกกับไสยศาสตร์ไปทำ ห, หน้ามมกหน้ามนทำเครื่องหลางของของังเป็นหมอสยศาสตร์ได้ผีไล่สางไปเนึกว่าตัวเองวิเศษจะแล้วไม่รู้วิปั จ, จนามสมถะคือทำให้สมบวิปั จ, จนาทำให้รู้แจ้งทะลุทะลวง เห็นตามควา ม, มจริงความหลงไม่จริงความรู้สึกตัวจริงกว่านี่คือวิปัสสนาะความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงกว่านี่คือวิปัสสนาความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่านี่คือวิปัสสนาความแก่ไม่ใช่ชีวิตเราความไม่แก่มีอยู่ในความแก่นี่คือชีวิตเราความเจ็บไม่ใช่ชีวิตเราความไม่เจ็บคย ช, ชีวิตเรา อย่าเจ็บเพราะความเจ็บอย่าแฉะเพราะความแฉะอย่าตายเพราะความตายอย่าทุกข์เพราะความทุกข์อย่าโกรธเพราะความโกรธนี่คือวิ ป, ปัจนาเห็นมันทุกข์เห็นมันโกรธเหนมันแฉะเจ็บตายเลยต้องไม่เป็นอะไรต้องก็เทียนเอ่คนถามอธิบายไม่เข้าใจครับว่าหลวงพ่อเทียนพูดว่า <c oughs> เชือกขาดงมายถึงอะไร จะเป็นคำพูดไม่ได้เรื่องนี้เป็นปรมตาจัจรจมีถ้าพูดก็สมมติมาพูดในคนจะแปลหลังเสือหลวงพ่อเทียนจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนแปลว่าเชื่อขาดมีคนถามมาราลว่าเชื่อขาดคืออะไรอธิบายยังไงมันไม่มีคำพูดถ้าเอาคำมาพูดก็เป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่ปรมาจั จ, จ เชือกขาดไม่มีอะไรมาสมมติเลยหลวงพ่อเตียนเลยพูดว่าเชือกมันขาดนะก็เนือฮมอาธิบายไลยเือมื่ถ้าสุขไป่างสุขบวกเข้าไปถ้าทุกข์บวกเข้าไปถ้าโกรธบวกเข้าไปถ้ารักบวกเข้าไปดีใจบวกเข้าไปเสียใจบวกเข้าไป ความดีใจใเป็นอย่างั น, นี้เชื่อมังคาาถ้าสุขเห็นมันสุขไม่ใช่เป็นผู้สุขถ้าทุกเห็นมันทุกจะให้เป็นสุขมันไม่เป็นมันคืนตัวโหดตัวไว้ถ้าสุขเห็นมันสุขมันโหดตัวสู่ธรรมาชาติอันไม่เห็นเห็นมันสุขเนี่ยมันอิสฉาอิสฉามา ถ้าเป็นผู้สุข ก, กล่อมอะไเป็นสุขอิสระเห็นมันสุขพอนลำกว่าใช <laughs> ่ไหมมันเป็นอิสระอย่างเนี้ไม่เป็ดล่องตาเลยพูดแบบภาษาลองตาไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์ไม่เป็นอะไรกับอะไรเอาอะไรทเดียวเลยนี่อันเดียวกันลังพูดอันเอเชียวจะับอ่า แต่มันก็รูปรูปเชือกมันมีอยู่นะตาก็เห็นอยู่มองเห็นแม่ชีมองเห็นาตาเห็นอยู่แต่ใช้เกียดมันไม่เอาแค่จใจรักมันก็เอาหูก็ได้ยินอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วหูหนวกแล้วเออถ้าจะยินเขายกย่องสบายใจมันไม่เอาถ้าคนนี้เธาเสียใ่มันไม่เอ า, เ า, เ า, เเ อ, าอันรุดของโลกขัดขาดแล้วเนี่ยอ ม่อยู่ทุกคนหลยอ่าเขาได้ถามเขาจะอธิบายเรื่องนี้ได้ก็แล้วแต่หลวงตาไม่มีปัญญาที่จะบาระมีคนถามจะาจะหลวงตาพูดอันเดียวกันไหมเอาบ่เทียนมาเชื่อขาดหลวงตาพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอันเดียวกันอันเดียวกันงั่นจบ เดินบรรจุไม่เป็นวัชุกมันจุกไม่เป็นจุขมันจะให้เป็นจุกไหมมันขาดเราสู่ธรรมชาติความสุขไม่ท้ช่ธรรมชาติมันฝืนธรรมชาติถ้าเห็นบันจุไม่เป็นวัชุกเชือกมันขาดมันออกมาเนี่จิตใจเป็นอิสระแก้วใจแก้วตาแก้วหูไม่อยู่เราทุกคนเรียกว่ารัตนะ รัตตนะสามเหมือนแม่สอนลูกลูกเอ้ยเจ้ามีลัตตนาไตแล้วนะตั้งแต่อายุหกเดือนนอนว่าลูกโตขึ้นมาแม่บอกเจ้ามีลัตตนาไตแล้วตั้งแต่อายุอยู่ในครรแม่หกเดือน แม่พาไปฟังเทศประเจ้ า, ธธาธธกุชตาเอ้าพุทธทองสนังคขจามิกธรรมสงสนังขจามิกสงขังสนังขจามิกข้าวเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสาระข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกท้องปวงได้ข้าพเจ้าถือพระธรรมเป็นสรณะข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกท้องปวงได้ เจ้าเจ้าเถ้าพระสงฆ์เป็นชนะข้าวเจ้าจะพ้นจากทุกทั้งปวงได้แม่แต่ลูกอยู่ในขันของข้าเจ้าเพิ่งเกิดได้หกเดือนขอถึงพระรัตนใจด้วยเป็นที่พึ่งนี่คือรัตนะแปะไว้แก้วอันประเสริฐอยู่ในชีวิตเราเนี่เคยว่าไหมพุทธังเซนต์กัญช่างนะเคยว่าไหม <c oughs> <c oughs> อ, อย่าเป็นอย่าเป็นนกแก้วหนกขุนทอง แก่จ๋าจิ้เข้ากับกล้วยไหมแกวจ๋าจิ้งเข้ากับกล้ยยวยบอจิ้ง ก, กับพริกมันก็่าจิ้งกล้วยจิ้งกล้วยมีกฎจังว่าพุทธังอย่าไปใช้พุทธังจริงๆมันลู่ตื่นเบิกบานเห็นความทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พุทธังสอนังกระจาะไม่เปลี่ยนอะไรเลยพระพุทธเจ้าเห็นมันจบพุทธังมังสนงระจา เป็นพัทธธรรมเป็นอาการอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่เาพูดจางไงให้ดิยินเอาไว้ย่าจนเสียดายคนเราวันหลงตรงที่ให้หลงเป็นหลงแทนที่มีปัญญาตรงนั้นโดนที่ทุกข์ให้ทุกข์เป็นทุกข์เสียดายแทนที่มีปัญญาตรงนั้น คนที่โกรธเป็นผู้โกรธเสือดอยมากแทนที่จะมีปัญญาตัวนั้นได้ยินไหม <c oughs> มีผู้บอกเราละพี่คนบอกแล้วมีพระสงฆ์ในพุทธศาสนาพูดอย่างนี้ไม่ใช่โดนตีไม่ใช่นิยายให้ท่านทั้งหลายหลงอ้อยท่านทั้งหลายได้เห็นแย้เรียกว่าเทนาใหม่ แจกแจงขี้แจงออกนี่ก็ต้องมีบ้างที่นี้เขาสอนก็นอย่างนี้นอกจากนั่นก็นพาทำยกมือซ้างจงังหวะเดินจงกรมเอาให้หมดเลยนี่อ๋อสมควรเจรลาพ็พรอองคกัน